รู้สึกถึงความไม่เที่ยงอยู่กับเนื้อกับตัวรุ่นคิดว่าอะไรอะไรในโลกนอกตัวไม่เที่ยงมีสิทธิ์หายทุกได้ชั่วครู่หนึ่งจะถ้ารู้สึกถึงความไม่เที่ยงที่อยู่ติดกับเนื้อกับตัวมีสิทธิ์หายทุกได้ชั่วกาลนานธรรมดาเมื่ออ่านหนังสือไปนานนานฝ่าเท้าอาจหกงอน ห, หน่อยโดยไม่รู้สึกตัว เมื่อเห็นว่าเท้าเกรงคุณค่อยเกิดสติอาจมีความคิดถามตัวเองขึ้นมาว่าจะเกรงไปทำไมทันใดนั้นก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายฝ่าเท้าและเหมือนจิตใจสงบสุขกว่าเดิมชั่วขณะถ้าสังเกตที่อื่นก็อาจเห็นอีกด้วยว่าบางช่วงก็เกรงแขนเกรงมือหรือเกรงตัวพอเกิดสติรู้ก็ปล่อยตามสบายแทนเช่นกัน การสํารวจแล้วเห็นความจริงทางกายเช่นนี้ถือเป็นการมีสติเบื้องต้นได้เพราะความหมายที่แท้จริงของการมีสติอยู่ในปัจจุบันก็คือระลึกได้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นการมีสติแต่ละครั้งเหมือนจะทําให้อะไรๆดีขึ้นได้ทุกครั้งเช่นเมื่อรู้ว่าอวัยวะส่วนใดเกรงเปล่าก็มิรู้จะเกรงให้เสียแรงไปทําไม ผ่อนคลายให้สบายกายสบายใจดีกว่านอกจากนั้นการมีสติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวยังช่วยให้คุณหูตาสว่างรู้สึกว่าใจเปิดกว้างขึ้นรับรู้ความเป็นปัจจุบันของตนเองที่อยู่ในท่านั่งได้ดีกว่าเคยด้วยแต่เกิดสติกับเกิดวิปัสสนานั้นมีความต่างกันมากลาวคือทุกคนในโลก อาจเกิดสติรู้สึกขึ้นมาว่าตัวฉันกำลังนั่งบ้างขยับเยือนบ้างเท้าของฉันงุ้มบ้างแบบสบายบ้างมือของฉันหงิกบ้างปล่อยสบายบ้างในที่นี้มีการเน้นที่ตัวหนังสือคำว่าตัวฉันของฉันนะครับโดยในยะแล้วคือการชี้ให้เห็นว่าการเกิดสตินั้น เกิดสติก็จริงแต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราส่วนผู้เจริญวิปัสสนาจะทำความเข้าใจไว้ก่อนเป็นการบวกมุมมองใหม่เพิ่มเข้าไปในการมีสติคือเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นกำลังแสดงความไม่ใช่ตัวตนถ้ามีตัวตนอะไรอย่างหนึ่งจริงก็คงต้องอยู่เป็นรูปเป็นร่างอันเดิมได้ตลอดไป เมื่อมาเห็นการแสดงความกลับไปกลับมาของอวัยวะที่เปลี่ยนรูปตามความบีบคั้นของกล้ามเนื้อต้องหดเกร็งบ้างแล้วผ่อนคลายบ้างอย่างนี้นานเข้าสติก็จะพัฒนายกระดับความรู้สึกขึ้นไปเป็นความรู้ซึ้งว่าแท้จริงไม่มีตัวฉันในท่าทางใดแน่ๆมีแต่ร่างกายรูปนั่งที่ไม่อาจนิ่งมีแต่รูปเท้างุ้ม ที่อาจเปลี่ยนเป็นแแบมีแต่รูปมืองอิกที่อาจเปลี่ยนเป็นคลายไม่อาจบอกได้ว่าตัวตนของใครตัวคุณมีภาวะทางกายแบบไหนกันแน่หากมีแว่นวิเศษส่องทะลุผิวหนังคุณจะเห็นด้วยซ้ำว่าร่างกายนี้เป็นถังบรรจุกระบวนการชีวเคมีขนาดใหญ่กําลังปรวนแรลเปลี่ยนแปลงอย่างโมโหลานไปต่างๆนาน า, นาอยู่ทุกนาที อย่างไรก็ตามถึงจะตระหนักว่าไม่มีตัวเดิมอยู่ในร่างกายนี้เลยความรู้สึกว่ามีตัวตนแน่ๆก็จะยังคงดำรงอยู่เพราะนั่นเป็นปมทางจิตที่สลับซับซ้อนและเหนียวแน่นเกินกว่าจะอาศัยเพียงแค่การสังเกตความไม่เที่ยงเล็กๆ น, น้อยๆมาคลายออกได้หมดการเห็นความไม่เที่ยงของเท้าและมือนี้เป็นเพียงตัวอย่างเป็นเพียงบทฝึกเบื้องต้น ที่อาจก่อความรู้สึกว่ากายไม่เที่ยงได้อย่างอ่อนๆเป็นของชั่ววูบชั่ววา่าบคล้ายคิดไปเองถ้าจะรู้ให้จริงต้องดูทั่วดูครบวงจรทั้งส่วนของรูปธรรมและส่วนของนามธรรมอันอยู่ในขอบเขตของกายใจนี้จนกว่าจะไม่เหลือพื้นให้อุ ป, ปาทานยือนอยู่ได้อีกเลย